วิธีที่ทำให้เกิดปัญญาต้องตามรู้กายและทัพหรือใจบ่อยๆเพื่อให้เกิดสติเมื่อเกิดสติตัวจริงวงเล็บสัมมาสติวงเล็บปิดจะเกิดความสุขเมื่อมีความสุขก็จะเกิดสมาธิเมื่อเกิดสัมมาสมาธิก็จะเกิดปัญญาและปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิมุต